ถรรมเทศนาแผ่นที่53าาลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28กลกุมภาพันธ์ส5ห้าสบห้ามีชื่อเรื่องว่าปัญญามากับความรอบครอบ ลิงถ้าว่าตัวไหนมันมันดื้อ น, นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะสั่งจับเเหมือนกันนักเลงเนะ่ะตัวไหนว่า น, นักเลงคนไหนดื้อจับไปขังคุกมันไปลิงของหลวงพ่อเหมือนกันนะถ้าเอาอาหารให้แล้วมันดื้อเวลาเห็นคนมาเนะีหญิงเขี้ยวจะกัดคนนะทําท่าจะไล่กัดแต่ไม่เคยกัดหรอกแต่ทําท่าว่างั้นเถอะทาท่าเป็นนักเลงอ่า หลวงพ่อจะให้พระทำกงรงล่ออยู่ข้างนอกจากนั้นก็เอาอาหารไว้ในกงรงล่อมันเข้าแล้วก็จับนุ่นเอาไปปล่อยวัดหลุกเรานะ่ะกลางเขาเนะ่ะตัวไหนที่มันดื้อ น, นะมันก็หายเป็นตัวเป็นตัวไปเหมือนกันนะแต่เดีนี้เลี้ยงอยู่ในผูกก้อนก็ดีนาแคก็ดีบ้านเพิ่มก็ดีหลุกเราก็ดี นี่แหละอาไปจากวัฒนาคำน้อยของเราเนี่แหละตัวไหนตัวไหนมันดื้อเอาไปโขดไว้ทั้งนูน้นตัวไหนมันไม่ดื้อเอาจะเท่าจะว่ายังไงแต่เลีเ้ยงเลี้ยงมันไปแต่จะให้อาหารมันมากจนเกินไปก็ไม่ my. ได้ใช่ไหเดี๋ยวมาลกควรเหมือนกับทางจังหวัดชนบุรีที่มันมีปัญหาลิงโยเ ย, ยไปหมด เพื่อเพิ่มจะกัดคนเห็เนไหอย่างทาขามลิงใหญ่เลลิงใหญ่ลิงเอแบบพันขึ้นมะพร้าวเน่ะแบบหัวตัดใหญ่สุนรุ่นนะที่ทาขามเห็นไหมที่หลวงปู่เทศที่ท่านไปอยู่ท่านเอาอาหารให้มันให้หัวหน้ามันลิงป่าแท้เลยแต่ถออกมามันไม่ได้ เห็นคนถือกระเป๋าในะแย่งกระเป๋าคนเห็นคนถือถังสังฆทานอะไรขึ้นจะถวายพระเขาไปแย่งจากมือเขาไม่แย่งกขาเ็นาหญิงเคี้ยวจะมันจะกัดเนี่ยจําเป็นกระเจ้าของสังฆทานก็ต้องปล่อยต้องวางผลที่สุดก็เป็นลือดอะไกัตนต่อมาท่านหลวงพ่อคลาดมั้งมาจากพังงาหลวงพ่อคลาดมาจากพังงา ถัดมาจับเลยนอท่านรู้จักวิธีจับนะใส่กลงเข้าไปมีอะไรโอ้จับเก่งจับจนหมดเลยนะลิงทํำขามนะลิงเป็นตั้งเป็นร้อยๆเน่อยจับหมดเลยเก่งเราก็ถามว่าเอ้าหลวงพ่อคาดลิงไม่กัดแล้วมันกัดไม่เข้าเอ้าทําไมวะเขาวันนี้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อมันก็เชื่อเลย สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นมันเป็นก็ว่าแก่นแก่นมวยเลือดนี่นะแก่นมวยเลือดอยู่ในป่าเรานะเอามาแล้วตัดเป็นทน่อนๆขนาดนิ้วก้อยเนี่ยนเะแล้วก็มาให้มันติดกับเนื้อกับตัวของเรามัดใส่แขนก็ได้ใส่ที่ไหนก็ได้โอ้ยพวกเขียเ้ยนี่ยื่นขาให้มันกัดเลยว่ากันมันกัดไม่เข้าวะงัน้นก็แปลกๆเหมือนกันนะอันนี้ถ้าว่าคนอื่นพูดเราก็ไม่เชื่อหรอ อันนี้หลวงพว่อคาดใจับลิงมาเท่าไหร่ลิงกัดไม่เข้า เ, เราคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วงั้น <c oughs> มุ่ยแก่นมุ่ยเลือดเหมือนกันเถาเถามุ่ยเลือดนี่แต่ไม่ใช่ว่าจะมีแก่นทุกเถาไม่ได้นะแต่บางบางเถาท่านเนี่นมันจะมีแก่นไม่ใช่ว่ามวยเลือดทุกเถาจะมีแก่นไม่ใช่แต่บางบางเถาบางบางเครือ เคือมวยเลือดมันเป็นเคือแล้วเป็นเถาวันบางต้นบางเคือเท่านั้นเองวันที่จะเป็นเป็นแก่นถ้าเอาแก่นมันมาแล้วก่มามัดนายแจ้งหมาด้วยเหมือนกันหน่อยหมาตัวนี้ถ้ามันกัดแล้วหมูลุ่มกัดมันอ่ะมันแพ้เขาเนี่ยเอามวยเลือดมัดใส่คอมันเลยอย่างนั้นแต่นี่โอ๊ยมันชนะหมูเลยอย่างเ้ยหมูกัดมันไม่เข้ามันกัดหมูแบบนี้เออ แปลกๆเหมือนกันนะอย่างวันหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็มีแต่ฟังนฟังนี้ก็เหมือนกันนะลิงของเราเนี่ยบางตัวมันก็ตัวมันที่มันรื้อนะเราก็จะต้องจับไปปล่อยที่อื่นจับไปปล่อยก็เหมือนลูกกี่ตัวแล้วหัวหน้ามันที่มันจะกัดคนแล้วทํามันทำท่าแต่มันถึงไม่ถึงกัดต่อสิงในวัดของเรานี่มีแต่ชะนีเท่านั้น สมชายเออเอาจริงๆเนี่ยเคยกัดคนมาหลายครั้งแล้วแต่กัดก็ไม่น่ากลัวรสมชายเพราะว่าเขี้ยวเขี้ยวที่มันยาวๆน่ะเขาบอกเขี้ยวเขาตัดออกแล้วยังแต่ฟันของมันมันก็กัดขยุ่งพย่ำไปอย่างนั้นแ่ะแต่ก็ถ้าไอ้ชนีสมชายมันมากัดมันก็เสียขวัญกำลังใจเหมือนกันนะเอบางคนก็เป็นไข้เหมือนกันนะเออ มันตกใจเพราะงั้นแะแต่นานๆมันจะมีที่หนึ่งเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าให้ระวังนะให้ระวังสมชายถ้ามันมาใกล้ก่อนถือไม้หรือถือก้อนหินก้อนดินอะไรกิ่งไม้อะไรยกใส่มันเลยขู่มันไว้ถ้าวิสาสากับันแล้วไปใกล้มันไม่ได้เดี๋ยวมันกัดเอาง่ายๆนี่แหละสัตว์ที่รานชาน ตรงพ่อไม่ได้ให้สอนให้พวกเราเซ่อเซ่อไม่ได้นะอย่างหมูป่าสมัยก่อนก็เหมือนกันเวลามาละยื่นอาหารให้หมูป่าโยนอาหารให้หมูป่าเพื่อให้หมูปา่ปาเข้ามาใกล้ผลที่สุดวันไหนอาหารหมูป่าไม่มีอาหารเนี่อมันจะกัดคนนะถึงเห็นคนมาเนี่ยเมันมีอะไรจะให้มันกินเนี่ยมันก็จะกัดคนน่ นี่แหละหลวงพ่อว่าจะไปเล่นกับมัน่ถ้าหาว่าเรามีเราก็อยู่ในรถเราก็โยนโยนโยนโยนโย น, โยนให้ไกลๆหรือว่าไปวางไว้เวลามันเราไปวางไว้อย่าให้มันเห็นหรือโยนเข้าไปมันจะมากินเองไม่ต้องวิสาสะกับมันอันนั้นดีที่สุดแต่ถ้าเราไปยื่นกับไม้กับมือไปใกล้ๆมันไม่ได้นะอันตรายนะ อย่าไปยื่นกับมือเด็ดขาดดึงสัตว์ป่ามันไม่ได้เข้าโรงเรียนเหมือนกับคนนะขนาดคนเข้าโรงเรีย น, นแท้มันก็นยังยเป็นนักเลงก็มีตังเยอะแยะไปเ อ, อ้สอนมาเท่าไหร่แต่้ลิงจะใครใไปสอนมันนะ เ, เราจะไปวิสาสะกับมันน่ะไม่ได้โง่นะเอ้โง่แต่โง่กับสัตว์ไม่ได้นะนะเผล อ, อ, อ, อ, มนะอๆมันจะเป็นกัดเข้าไปเป็นบาด ท, ทยักหรือเป็นอะไรอันตรายถึงตายได้เหมือนกันเพราะนั้นระวังเตืองสัตว์ป่า ในวัดของเรามีสัตว์มากแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็ให้นมัดระวังแต่น้ําใจจะมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือการให้อาหารมันกระเพราหิวเหมือนกันถึงข้าวจะให้ก็ต้องให้มันบ้างเฉลี่ยให้มันให้กินบ้างนะหลักของพวกศาสนาเลยท่านสอนให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดให้ใช้ความรอบคอบ ไม่ใช่ว่าอย่างไงก็อย่างนั้นเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งไหนที่จะเป็นหายนะสิ่งไหนที่จะเป็นอันตรายสิ่งไหนที่มันไม่พาศกเราก็ต้องรู้จักหลบรู้จักกลีกรู้จักปลีกตัวพระพุทธเจ้าในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี มีพระองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านลาไปทุดงไ ะ, ะ, ะปิดงแล้วก็ไปอยู่กับชุมชนชาวบ้านเขาพอไปอยู่แล้วก็คงจะเป็นช่วงที่อธิษฐานพรรษาที่ศาลพรรษาก็คงจะเป็นมันคงจะฝนไม่ตกมั้ง พอที่ฐานพรนสาอยู่เดือนแรกไฟไม้ศาลาไฟไม้ที่พักของท่านพอไฟไม้ที่พักของท่านท่านก็อยู่กลางแจ้งไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยทําศาลาให้ด้วยเถิดชาวบ้านเขาบอโอ้คนนั้นก็อยากการคนนี้นก็อยากงานเขาไม่ได้มาทําให้พระองค์นั้นก็เลยอยู่จําพรรษากลางแจ้ง ทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งเดือบทั้งยุงทั้งมแมลงสัตว์กัดต่อยพอออกพรรษาแล้วท่านก็นได้มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทองค์ก็ถามมาเป็นไงผาสุขอยู่เลยภิกษุไปอยู่จาพรรษาพระองค์นั้นก็นได้กราบทูลพระพุทธเจ้าข้าพระองค์กราบลาพระองค์ไปแล้วก็ไปเพื่อจะไปบาเพ็ญภาวนาหาทางพ้นทุกข์ แต่พอไปอยู่ได้เดือนแรกจำมันสาไฟไหม้ศาลาพอไม้ศาลาแล้วก็คาบองค์ก็ได้อยู่ที่ศาลาไม่ได้รับความผาสุกเพราะทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งเหลือบทั้งยุงทั้งมแมลงคาบองค์ก็อยู่จนออกพรรษาก็เลยไม่ได้ภาวนา ไม่ได้บำเพ็ญทางจติตภาวนาเต็มที่เพราะว่าอยู่ด้วยความลบาบากพระพุทธองค์ทั้งที่ท่านจะยกย่องนะท่านตำหนินะท่ี้ทำไมเธอจึงอยู่อย่างนั้นทำไมเธอไม่สอดแสวงหาที่ผาสุขที่มาดีกว่าทำไมเธอจึงไม่ออกไปจากที่นั่นเธอจะอยู่ทำไมถ้ามันไม่ภาสุขนขนาดสัตว์ที่ไร้ฉาน เขาเ็ายังแสวงหาความพาสุกเธอเป็นมนุษย์แท้ๆเป็นพระด้วยทำไมจึงอยู่อย่างนั้นพระองค์ไม่ใช่ว่าจะยกย่องนะขันติขันติอย่างนั้นน่ะขันติแบบโง่เพราะพระองค์ไม่ไม่นะเสรนนะท่าน ใ, ใช้ปัญญาพระองค์บอกว่ า, วาขนาดสัตว์ที่ไรฉานเขายังเห็นไัยในที่จะเกิดกับตนเองกับหมู่คณะ พระสงฆ์อะไรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ชัดเจริญฉันเห็นโทษที่จะมีพิษภัยและเห็นโทษแล้วที่พระองค์ได้ตรัสะอ์ว่าสมัยหนึ่งมีนกฝูงหนึ่งอยู่ในป่าแต่อาศัยต้นไม้ใหญ่แต่บริเวณนั้นก็มีพวกไัยพวกอะไรเกิดขึ้นมาที่ว่าเป็นป่า เป็นป่าที่ว่าพร้อมที่จะติดเป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟได้ง่ายแต่นี้นกที่เป็นหัวหน้าฝูงอาศัยอยู่ต้นไทรต้นนั้นน่ะต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นน่ะเวลาลมพัดมามันก็เป็นควันขึ้นเพราะกิ่งไม้มันเสียดสีกันเพราะมันเสียดสีกันขึ้นมาเป็นควันขึ้นมานกที่เป็นหัวหน้าก็บอกเออนี่มันมันบ่งบอกถึงพิษภัยแล้ว น, นันเอ แต่ถ้าเราไม่หนีออกไปบางทีมันไฟมันติดลงไปข้างล่างและกลางค่ำกลางคืนเราหนีออกไม่ทันเนี่ยมันจะตายทั้งฝูงมันจะเผาพวกเรานเนี่ยดูดูถ้ามันเป็นไฟนเนี่ยมันออกจากกิ่งไม้เนี่ยมันจะดุดลงไปที่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราควรจะหนีหัวหน้าก็เลยพาหนีหนีกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มหนึ่งบอกว่าเอ้ยเป็นหนีไปทําไมเพียงแต่ควันไฟขึ้นมาจากกิ่ง ง่ามมากกิ่งไม้เท่านั้นเอ่จะแสดงว่าหัวหน้าในขี้เสาะมากเห็นอะไรเป็นพิษเป็นภัยไปหมดเอ่ต่อไปในเห็นน้ําหยดหนึ่งก็จะว่ามีจระเข้อยู่ในนั้นนะเนี่ยหัวหน้าเนี่ยพวกลูกน้องกลุ่มหนึ่งมันก็เข้าข่ายของเขาเหมือนกันนะเอ่ยเมือนเห็นน้ําหยดหนึ่งว่ามีจระเข้อยู่ในหยดน้ำํำมันก็หาพูดได้เหมือนกัน น, ะนกเหมือนกันนะ แต่หวหน้านี่ไม่ได้เห็นควันไฟขึ้นมาจากกิ่งไม้แล้วตรงกิ่งไม้ที่มันเสียดสีกันนะมันจะต้องเป็นไฟอีกสักวันหนะึ่งจากนั้นก็หลบหนีไปพากลุ่มหนึ่งหนีไปแต่กลุ่มหนึ่งไม่หนีเพราะเคยอยู่ที่นั่นมาแล้วจนติดถิ่นติดฐานติดที่อยู่อาศัายแล้วพอมาวันหนึ่งกิ่งไม้มากระเสียดสีขึ้นมาก็เกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาอย่างแรงก็ทาให้นกฝูงนั้น ที่ยังหนีอยู่ยังติดอย่างนั้นก็เลยตายท่านว่าในชาดกในชาตินั้นเราที่เป็นหัวหน้าฝูงของนกนั้นคือเราตถาคตที่เป็นหัวหน้าแต่นกฝูงนั้นก็เลยตายนี่แหล ะ, และชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอยู่รัสถานที่ใดที่จะเป็นพิษเป็นภยัยเราต้องดูให้รอบคอบรอบด้านถ้ามันจะเป็นพิษเป็นภยัยเราก็ควรจะ หนีออกจากตรงนั้นเพื่อความผาสุกเพื่อสับปายะเ น, นี่ยท่านตําหนิพระองค์นั้นเนี่ยพระที่เป็นลูกศิษย์ที่ท่านไปอยู่ในที่แจ้งทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งเหลือบทั้งยุงทั้งมแมลงอะไรกัดท่านก็ไม่หนีทั้งที่ไม่มีศาลาที่พักพำอาศัยพราะพระพองค์บอกว่าเนี่ยอันนั้นคือไม่สับปายะต้องไปหาที่สับปายะที่จะบําเพ็ญ ผู้ที่จะบำเพ็ญได้สำเร็จมักสาเร็จผลนั้นต้องมีสัปพายะพอสมควรแต่จะให้สมบูรณ์ทุกอย่างซะก่อนจึงปฏิบัติธรรมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ที่ไปหาจนสมบูรณ์ซะก่อนอาหารสัปพายะอาหารเป็นที่สบายเสนาสะนะสัปพายะเสนาสะนะเป็นที่สบายอตุสัปปายะอากาศเป็นที่สบายปุคคลสัปพายะบุคคลที่รอบข้างเป็นที่สบาย มีแต่ยกย่องเฉิดชูกันอย่างนั้นจะหาสัพพายะทุกอย่างซะก่อนจึงจะบําเพ็ญภาวนาไปหาถึงมันตายก็ไม่เจอตายแล้วเกิดมาหาอีกก็ยังไม่เจอตายเกิดมากี่พบกี่ชาติก็ยังไม่เจอมันก็ต้องขาดอันหนึ่งแต่ก็ได้อันหนึ่งแต่ก็จะอย่าให้มันลําบากจนเกินไปลาบากจนกระทั่งที่วา่าตากแดดตากฝนก็อยู่ในนั้น เออมนเหลือบมรยงก็อยู่ในนั่นอันนั้นมันลำบากเกินไปที่พระองค์นั้นปฏิบัติจนไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะอยู่ด้วยความลำบากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบไปอยู่ในสถานที่ใดดูการสถานที่บุคคลเออแล้วจากนั้นก่อนเนี่ยดูใจของตนเองเนั่นหละเป็นหลักทีนีอุตุกระพอสมควร อาหารก็พอสมควรคำว่าอาหารอาหารดีนะี่คืออาหารอย่างไรไม่ใช่ว่าอาหารดีทุกวันพอทานเข้าไปแล้วก็นอนสลบสไลด์ตัวอ้วนขึ้นเรื่อยๆเอ่ห์ตัวอ้วนร่างกายอ้วนไม่ใช่อ้วนอย่างอื่นนะเอกิเลสตัณหามันอ้วนขึ้นไปด้วยเออย่าไปส่งเสริมเกินไปส่งเสริมร่างกายส่งเสริมร่างกายร่างกายอ้วนขึ้นมาแลนะกิเลสกรกมลาคะมันก็อ้วนขึ้นไปด้วยอ่ อย่าง พ, พอประมาณอุตุอาหารสัพพายะคือพอประมาณอย่างไรให้รู้จักประมาณในการบริโภคโภชนเนมัตตันจุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่ไม่ใช่ว่ากินอิ่มหลากท้องออ ก, ท, กทุกวันทุกวันกินแบบไม่คิดไม่อ่าน <c oughs> มีแต่กิเลสมันพอกผูนวันนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเจ้าตัวเองต้องรู้อาหารสัพพายะเสนาสันสัพพายะ ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในที่สบายห้องแอร์ตลอดทั้งวีทั้งวันเอจะไม่ถูกอากาศอย่างอื่นเฉลยมีแต่สบายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงแต่เลี้ยงร่างกายอีกสักวันหนึ่งกระผมก็ขาวฟันก็หลุดหนังก็เหี่ยวตาก็ฝ้า ฟ, า, ฟางอีกอย่างเก่านั่นถึงจะอยู่ดีขนาดไหนก็อยู่อยู่ทีแต่อันนี้ก็มันต้องคิดอีกเหมือนกันอย่าให้เกินไปในอุตสุสบายะ เสนาสนะสัปปายะเสนาสนะสัปปายะเนี่ยนี่แหละอย่างที่ว่าเราอุตุสัปปายะอากาศเป็นที่สบายเราจะหาที่ไหนเราอยู่ในท้องฟ้างอากาศมันก็ต้องมีร้อนมีหนาวเป็นธรรมดาแล้วก็ปุคลสัปปายะบุคคลเป็นที่สบายอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะเบาแว้งกันมีความเห็นแบบเดียวกันหวังพ้นทุกข์เหมือนกัน สอดแสวงหามรรคผลนิพพานเหมือนกันอันนี้ว่าปุคระสัพปไปยะเนี่ยแต่คนหนึ่งหาทางโลกอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้ชนะเสริญแต่คนหนึ่งอยากจะพ้นทุกมันเข้ากันไม่ได้นะเดี๋ยวคนหนึ่งก็หาเงินคนหนึ่งก็หายศถาบรรดาศักดิ์คนหนึ่งก็หามรคหาผลมันจะเข้ากันไม่ได้ปุคระสัพปไปยะเนี่ยหลวงพ่อว่าในในความเห็นหลวงพ่อเนะี่ย สัพยาเหล่านั้นจะเป็นอาหารสัพยะก็ตามเาสนาสนะก็ตามอุตุสัพยะก็ตามปกครสัพยะก็ตามหลวงพ่อว่าปกครสัพยาสําคัญกว่าสําคัญกว่าอย่างอื่นการอยู่ด้วยกันนถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมีการไม่เข้าใจกันกันแหนกันให้กันเลยมันขวางนะมันขวางลึกๆไปนั่งภาวนา ม, มันก็ขวางอยู่ในใจอย่างนั้น่ะ อันนี้เราบอกบุคลาสัพพยะแต่ถ้าบอกบุคคลเป็นที่สบายเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความเห็นเดียวกันรู้จักกันอ่น้อมถ่อมตนต่อกันอย่าทะเลาะพิวาทกันรู้จักใจเขารู้จักใจเราเราเขามีเมตตาต่อกันถ้าพวกเรามีความมีน้ำใจต่อกันอย่างนั้นมีเมตตาต่อกันอย่างนั้น หลวงพ่อว่าอยู่ด้วยกันถ้าความผาสุกปุกราศปฏิยาเนี่ยในความเห็นของหลวงพ่อหลวงพ่อว่าสําคัญสําคัญกว่าสัพพยะเหล่านั้นสัพพยะเหล่านั้นก็ใช่ถ้ามันเกินไปมันก็ไม่สัพพายะเหมือนกันแต่ก็พอเราพ่อที่ที่จะหลบหลีกได้แต่ปุกรสัปฏิยามันก็หลบหลีกได้เหมือนกันแต่มันต้องหนีจากกันซะก่อนถ้าอยู่ด้วยกันเนี่อภาวนาจิตใจจะสงบได้ยากนี่แหละ ในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนพวกเราพุทธบริษัทสรุปแล้วคือให้ใช้ปัญญาแค่ความรอบคอบแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้แบบสติอย่างเดียวอแต่ว่าจะใช้ปัญญานะครับมันต้องคิดอีกเหมือนกันอย่างลุ่มนกพวกที่อยู่กลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าหัวหน้าเนี่ยขี้เซาะเกินไปเห็นน้ําหยดหนึ่งก็จะว่ามีจระเข้อยู่ในนั้นฮะอันนี้เขาก็พูดถูกเหมือนกันนะ อันนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันที่เป็นหัวหน้าอันไหนจะเป็นพิษเป็นภัยมากน้อยอยังไงแค่ไหนแต่ก็ไม่คิดเป็นอ่านเฉยๆก็ไม่ได้แต่คิดใจสอบเหมือนมันก็อย่างที่เขาว่าบางเสียงบางอย่างมันก็อย่างที่เขาว่ามันสอบเกินไปก็ไม่ดีสุดแล้วก็คือใช้หลักเหตุผลกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลให้ดีที่สุดในความรู้สึกของเรา และตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร